ที่ได้ใส่ไว้ในตู้นะคะแต่สงสัยจะไม่ได้หยิบออกมาแล้ว2ข้อก็คือข้อแรกที่เมื่อคืนมีสอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธานุสติเป็นที่พึ่งอะคะ่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือทําอะไรคะที่ที่บอกว่าพุทธานุสติเป็นที่พึ่งและข้อ2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทําเมตตาภูมิหารที่ไม่ว่าจะเป็นเมตตาการุณาบุิตาอุเบกขาที่พระอาจารย์บอกว่า ให้ทำคนละครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะอยากจะถามในความเข้าใจนิดนึงว่าคือการสวดบทที่พระอาจารย์ให้แล้วหลังจากนั้นทำอนาปนสติต่อหรือว่าการสวดไปตลอดครึ่งชั่วโมงขอบพระคุณค่ะเรื่องของการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือระลึกถึงคุณคุณของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถที่จะระลึกได้ใน ข้อปฏิบัติของพระองค์เช่นการให้ทานของพระองค์การรักษาศีลเจรนเนคขมมะหรือรวมๆก็คือบารมีทั้งสิบหรือแยกออกเป็นละเอียดก็บารมีสามสิบเราสามารถนำเรื่องราวของพระองค์ม น, นืคิดก็จะทำให้ปีติอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นว่าเราได้เจอผู้ที่ มีความเสียสละเสียสละประโยชน์ของตนเองเพื่อที่จะทำให้เรามีโอกาสได้รู้ธรรมได้เข้าใจธรรมนั้นจึงจะทำให้เราได้เห็นพระมหากรุณาของพระองค์ปีติก็จะเกิดขึ้นแก่เราหรือแม้แต่ที่เราสวดมนต์กันเป็นประจำเนี่ย หรือแม้แต่ที่เราเป่งวาจาว่าพุทธทางสารนังคะฉามีเนี่ยแต่ความหมายนั้นหมายถึงสภาวะที่จะทำให้เราพ้นจากวัตะทุกข์ถ้าเราเข้าถึงบุคคลผู้นี้ถ้าเราเชื่อฟังคำสั่งสอนของบุคคลผู้นี้เนี่ยก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเราจะพ้นจากวัตะทุกข์ได้ดังนั้นพ่อแม่ ไม่ใช่ที่พึ่งของเราปู่ย่าตายายรุงป้านะอาญาติสนิทมิสหายทรัพสมบัติไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่มันไม่ใช่ที่พึ่งเลยเพราะจะดึงเราไปอบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะในเวลาใกล้ตายเนี่ยแม้แต่สิ่งเล็กน้อย อย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยนึกถึงทรัพย์สมบัติของตัวเองน้อยใจที่มีสมอแค่ผลครึ่งผลเนี่ยแต่นั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งที่จะให้ทานนะพระองค์ก็ได้บดสมอนั้นผสมกับข้าวต้มและถวายแก่ภิกษุแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยฆ่าคนมาเยอะ จึงทำให้ตัวเองรุ่มหลงในในเวลาใกล้าตายจึงกลับไปเกิดเป็นเปรเตงูเหลือมเนี่ยนะแล้วในอนาคตเมื่อพระไอเนื้อเมื่อลูกชายพระไมหินท้าเถระเนี่ยไปบอกนะบอกให้ใกล้ควรถึงทานถึงศีลด้่ตัวเองเคยทำมาตัวเองก็ได้ไปเกิด ไปเกิดเป็นเทพบระวุตแล้วก็ลงมาเกิดเป็นพระแล้วที่สําคัญพอมาเกิดเป็นพระเป็นผู้ที่มีปกติให้ทาน น, นะแล้วก็เจริญอาณาปานสติก็บรรลุเป็นพระหันได้นี่ถ้าเกิดเรามีข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายิ่งมากยิ่งดี แล้วเมื่อสวดเราสวดคําสั่งสอนไปหรือแม้แต่เปล่งวาจาว่าพุทธทังสารนังกชามิขนจะเริ่มลุกสู้น้ำตาจะเริ่มไหลปีติจะอาบทั้งกายทั้งใจเราน่านึกถึงไหมบุคคลประเภทนี้บุคคลที่ยิ่งใหญ่น่าที่จะทำตามน่าจะ นำบุคคลผู้นี้เป็นผู้นำภาษาอังกฤษว่าอะไรนะฮ ะ, ะประมาณนั้นแหละแต่มาก็พูดไม่ถูกหรอกเคยได้ยินเขาว่าตามก็ไม่ทันเราจะระลึกถึงบุคคลผู้นี้อาตมาจะนำหลักฐานมาให้โยงดูนะเพราะโยงเป็นคนเปล่งเอง <c oughs> จำได้ไหมยโยมเป็นคนพูดเองนะพุทธสาหสมิทาโสวะพุทโธเมสามีกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าเป็นทาตของพระธรรมเป็นทาตของพระสงฆ์ พระสงฆ์มีเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าโยมพูดเองใช่ไหมเนี่ยรือตมาพานมแต่โยมต้องตั้งใจที่จะกล่าวก่อนนะโยมเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทาสมีโอกาสที่จะดื้อต่อนายไหมไม่ได้ต้องทำตามอย่างเดียวแล้วทำตามไหมล่ะถ้าเราทำตามเนี่ยพระองค์ สร้างบารมีมามากมายเหลือเกินดังนั้นอย่า ก, กลัวว่าจะผิดอย่า ก, กลัวว่าจะผิดทางแล้วเวลาที่เราจะกล่าวเราจะได้ปีติเอิบใจใช่ไหมไม่ใช่สวดทุกวันก็งั้นๆน่ะก็งั้นๆน่ะพาสวดไปสิฉันจะดื้อ่อยู่เนี่ยใครจะทำไมน่ะเนี่ยเวลาโยมเปล่งวาจาแบบนี้จะได้ น้ำตาไหลเหมือนที่อาจารย์ทิพานะใช่ไหมที่น้ำตาซึมน้ำตาไหลนั่น่ะมันามาเคยมาก่อนพระอาจารย์สมทบเคยมาก่อนนะไปอยู่หน้าพระเจดีย์นะไม่ว่าจะเป็นพุทธคยาที่วิหารปรินิพานของพระพุทธเจ้ากุสินาลา ที่ทำเมกษัตูิที่สถานที่แสดงธรรมจกักหรือแม้แต่ที่ประสุดที่ลุมพินีเนี่ยใจมันดื้อด้านมากโยมขนาดเรียนข้อมูลมาตั้งเยอะนะตอนที่ไปเนี่ยเรียนภาษาศาสนามาเป็นสิบปีที่ไปเนี่ยก็ยังดื้อด้านไม่เข้าใจว่าควรจะไข้ควรอย่างไรคิดอย่างไรนะ แต่คราวนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราตั้งมั่นว่าบุคคลผู้นี้แหละจะเป็นผู้นําแก่เราจะเป็นผู้ที่ชี้ทางแก่เราเป็นที่พึ่งแก่เราเราจึงระลึกถึงคำสอนให้มากที่สุดสุดนะก็หาข้อมูลเลยยกตัวอย่างในแต่ละบารมีแต่บารมีแต่พระบารมีแต่ละข้อแต่ละข้อมาหนึ่งตัวอย่างเวลาที่เราสวดทานปาลามี สมปันโนก็คิดถึงพระเวสสันดรเลยพระเวสสันดรบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างจนตัวเองต้องถูกขับไล่ไปอยู่ในป่าในดงตอนนั้นก็ยังไ ม, ไม่หยุดที่จะให้เพราะว่าถ้าเกิดหยุดให้เมื่อไหร่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็หยุดเหมือนกันถ้าเราหยุดให้เมื่อไหร่การที่จะประสบความสําเร็จที่จะทําลายกิเลสออกจากวัฏฏุก็ไม่มีโอกาสถ้าเราหยุดรักษาศีลเมื่อไหร่ หยุดดูลมหายใจเมื่อไหร่แล้วเราจะถึงได้อย่างไรนะที่จะกําจัดกิเลสออกจากวัฏทุกไม่ใช่มาจะกําจัดกิเลสอาตมานะแต่กําจัดกิเลสใครกริเลสตัวเองดังนั้นโยมต้องพยายามเองอาตมาพูดจนจ น, จนลมหายใจหมดคาไมตรงนี้ถ้าโยมไม่ปฏิบัติก็ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ใครใครเลยนะดังนั้น นั้นเป็นสิ่งที่โยมจะต้องทําเองพยายามเองขวนขวายเองข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นปีกว่าเราจะได้เรียนรู้ข้อมูลแต่ถ้าเกิดใครขวนขวายมันก็ไม่เกินความสามารถมีหลายทางเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีอินเทอร์เน็ตที่ไหนเขาต้องควบมา้าหรือเดินกันไปนะไปหาข้อมูลเนี่ยพระถังซําจังเนี่ยเดินจากประเทศจีนไป ศึกษาพระไตปีโดกเนี่ยที่ประเทศอินเดียนะต้องฝ่าดงสตรูที่เราเคยดูการ์ตูนเนี่ยหรือดูเป็นทำเป็นภาพยนตร์มาในสมัยก่อนเนี่ยตัวที่ตามไปติดตามไปก็คือตัวโลภะโทสะโมหะก็ทำมาจินตนาการว่า ก็ตัวตัวตัวเป็นตัวกำลังสำคัญแต่แต่เขาสื่อเป็นโลพาโทสามูหะที่ติดตามไปเนี่ยแต่ความจริงแล้วไปคนเดียวเดินไปด้วยแล้วก็เจอพยายนอันตรายเยอะแยะเนี่ยแตเยเเเ่เขาก็ไม่หยุดเขาไม่เขาไม่ท้อเขาก็ไปไปศึกษาไปอยู่ที่นั่นบันทึกข้อมูลไว้ตั้งมากมายขนาดไกลขนาดนั้นเขายังขวนขวายไป เดี๋ยวนี้โยมมีทุกอย่างพร้อมแล้วอยู่หน้าจอก็กดติ๊กติ๊กติ๊ก ก, ก็มาแล้วข้อมูลไม่จำเป็นต้องไปหูลำบากเดินทางขนาดนั้นแต่ยิ่งความเจริญวัตถุมามากเท่าไหร่ก็จะทำลายปัญญาของมนุษย์ไปมากเท่านั้นแหละดังนั้นพวกเราอย่าให้เขาทำลายปัญญาเราได้เราก็ขวนขวายเอา นิยมกล่าวเองนะถึงวันไหนอาตมาไม่ได้มาดำโยมก็กล่าวเองนะว่าเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าต้องเชื่อฟังพุทธโธทุก ข, ขสักคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกขชัดเจนเลยและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธธรรมพระสงฆ์นะ แล้วก็สาระอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีเห็นไมเนี่ยโยมไปถือสาระอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างที่โยมจะต้องนึกถึงพุทธคุณพุทธานุสติหรือคำสอนก็ได้แก่อานาปานสตินึกถึงตลอดเวลาลมหายใจเข้าออกให้ติดต่อต่อเนื่อง โยมจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่พึ่งทั้งสองอย่างเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งนึกถึงพระธรรมก็เป็นที่พึ่งสภาวะก็คือกําจัดกิเลสออกจากวัตทุกข์จบไปหนึ่งข้อข้อที่สองเมตตาใช่ไหมที่อันนี้คือเป็นเป็นหลักการเท่านั้นที่จะเป็นการไข้ครวญ ว่าจะครึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีหรือหนาทีก็แล้วแต่ตามที่เรามีเวลาเราจะเจริญเมตตาในขณะที่เราดูลมไม่ได้ถ้าดูลมได้เราควรดูลมแต่ถ้าเมื่อไหร่ความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความลาคาญใจเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโทสะเกิดขึ้นในใจเราเบื่อหน่ายท้อแถ้หดหู่ ทีน้ำมิทะเข้าเราก็มาเจริญเมตตาเพื่อให้ปีติอิ่มเอิบใจมันเกิดขึ้นมีกำลังใจแล้วจะได้ไปดูลมหายใจถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ไม่ว่าจะ10บนาทีหรือยี่สบนาทีส0สบนาทีหรือบุกอย่างละหนึ่งชั่วโมง ก็ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนี่นแหละศักยภาพของตัวเองเพื่อเราจะได้ไปอยู่ในกรรมฐานหลักให้ได้ส่วนที่เป็นกรรมฐานที่เราสามารถนามาใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้ตลอดเวลาก็คือพุทธานุสติมรณสตินึกถึงความตายแล้วก็เมตตาแล้วก็นึกถึง ความไม่สวยไม่งามของร่างกายพวกนี้จะเป็นสัพพะกะกรรมฐานสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเหมือนนักรบพอรบไปแล้วเนี่ยาอาวุธหลุดมือไปไม่มีอะไรเลยจำเป็นจะต้องสู้รบกับศัตรูเนี่ยถ้าฝึกวิชาได้หลายๆอย่างก็สามารถที่จะรบกับเขาได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธ เราก็สามารถที่จะนำกรรมฐานที่เราศึกษาเราเรียนมาอย่างดีมาพลิกแลงใช้ในชีวิตประจำวันว่าเหตุการณ์แบบนี้เอาเปรียบเทียบใหม่เหมือนการเดินทางก็แล้วกันการเดินทางเรายังต้องมีภาหนะเยอะเห็นเช่นเราจะไปยุโรป เดินไปอย่างเดียวได้ไหมก็นานถึงแล้วต้องไปาจากบ้านไปอะไรจั ก, กรยานไปเารถไฟฟ้าแท็กซี่รถส่วนตัวพอไปถึงสนามบินแอร์พอร์ตเนาะได้คำเดียวนี่แหละพอไปถึงแอร์พอร์ต ไปขึ้นรถแอร์พอร์ตไปขึ้นเครื่องบินพอไปขึ้นเครื่องบินก็ไปต่อรถอีกไปต่อรถไฟอีกไปต่อเรือมีพาหนะหลายอย่างแล้วแต่สถานการณ์เวลาที่เรามีกรรมฐานเยอะๆเนี่ยมันเหมาะแก่การที่เราไปเจอเหตุการณ์เช่นในขณะนี้เราควรใช้ทานหรือจาคานุสติ ในขณะนี้เราควรใช้ศีลศีรานุสติในขณะนี้เราควรใช้เมตตาในขณะนี้ควรพุทธคุณเราก็ใช้ได้ตลอดแต่กรรมฐานหลักของเราก็คือดูลมหายใจนี่เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติผู้ฉลาดนักรบที่จะเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจคนเดินทางที่จะไม่เสียเวลาไม่หลงทางมากไม่หลงทางไม่เสียเวลามากเลยนะ นี่คือถ้าเรามีกรรมฐานมากก็ช่วยได้เราจเจริญเมตตาไว้ฝึกไว้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราขล่องแกล้วแล้วเราก็มาดูลมหายใจแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นบ้างหรือใครจะชอบใครที่โทสะจริตชอบโกรธชอบขัดเคืองคุณมัว่วแล้วก็ใช้เมตตาเป็นกรรมฐานหลักเลยก็ยังได้ ถ้าอานาปาณสติไปไม่ได้อันนี้สำหรับควรที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะไม่ใช่สองวันแล้วเลิกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มที่หรื อ, อยังสองวันเนี่ยเต็มที่ไหมถ้าเกิดนั่งจนแบบขาแนบแน่นแบบสมาธิแนบแน่นภายในสามวันแล้วบอกทําไม่ได้เนี่ยตมาจะเชื่อเลย ไม่ต้องกินข้าวนะทำสามวันติดต่อกันเลยแล้วบอกว่าทำไม่ได้แนะ่ดูลมไม่เห็นเลยดูจุดกระทบไม่รู้เลยว่าตรงไหนติดต่อกันสักสามวันเนี่ยตัมมาจะเชื่อเลยว่าทาเต็มที่แล้วแต่นี่เราทำวันละกี่ชั่วโมงกลับไปบ้านจะมีเวลาทำไหมต้องคำนวณดูแล้วมาอยู่ที่นี่เจ็ดวันเนี่ยเมื่อวาน นับไหมอาตมาเนี่ยปฏิบัติมาเท่าไหร่นับไหมกี่ปีเนี่ยกว่าจะดูลมเห็นเนี่ยแรกแรกไม่มีครูสอนทําเองเนี่ยถตว่ามันจะรู้ไหมว่าตรงไหนลมตรงไหนจุดกระทบไม่เคยรู้จักเลยด้วยว่าจุดกระทบคืออะไรโยมรู้แต่ว่าพุโทโธลมก็เขาก็ไม่ได้สอน ถามถามจริงๆว่าโยมไปเข้าคอร์สเขาสอนละเอียดไหมแล้วเราสามารถที่จะต่อได้ไหมแล้วยิ่งอัตมาไม่เคยไปเรียนเนี่ยก็ไม่รู้ลงไม่รู้จุดกระทบไม่เข้าใจคาว่าจุดกระทบคืออะไรแต่พอมาศึกษาเราเรียนจริงๆจงังๆแล้วจึงจะรู้ก็เพราะบุญที่หนุนนำกระตุ้นเตือนนี่แหละถ้า บุญของโยมเต็มเปี่ยมแล้วศรัทธานในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเป็นทาตของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่มีข้อแม้แล้วตัดวิจิกิจฉาออกไปได้เลยไม่มีความลังเลสงสัยแล้วลุยอย่างเดียวตายเป็นตายผู้นี้ถ้าผู้นี้พานำเราไปเอาเวจีมหานรกเราก็จะไปถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไป พาไปไหนก็ไปเราจะเปล่งคำว่าพุทธังสรนังกถาฉามิเนี่ยให้สนันโลกไปเลยทำได้ไหมนหนลองสิทำให้สนันนะเอาพร้อมกันพุทธังสรนัง เราจะมีพระตนาไตรเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจะไม่ยอมมีที่พึ่งอื่นที่พึ่งอื่นไม่ได้นำเพื่อที่จะออกจอากวัตฏะทุกแล้วน ะ, ะต่อไป ใส่ไม้หน่อยนะคะอยู่ไหนคะยกมือนิดหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวคุณทวิีชายจะได้เอาไม่ไปให้นะคะค่ะเพื่อเพื่อสงเคราะห์เท่านอื่นจะได้ได้ยินคำถามด้วยนะคะทุติยามปิ ติยามปิพุทธทางสลาณ์ขะฉามิทุติยามปิธรรมั芒สลาณ์ขะฉามิทุติยามปิสังขังสลาณ์ขะฉามิตติยามปิพุทธทางสลาณ์ขะฉามิตติยามปิธรรมังสรลาณ์ขะฉามิตติยามปิสังขังสรลาณ์ขะฉามิสาธุสาธุสาธุ ไม่มีคำถามใช่ไหมคะเอามนุษย์กระเด็นหมดเลยนะเนี่ยถ้ายมเปล่งขนาดนี้มีมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับการจะปฏิบัติขั้นตอนทำไมต้องเดินศีลทำไมต้องเดินสมาธรทำทานรักษาศีลให้อยู่ในกระแสชีวิตของเราตลอดเวลา มีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้กราบขอโอวาทท่านพระอาจารย์นะคะที่เป็นปัดชิมโอวาที่จะให้กับผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เจ้าคะ่ะกราบอารัธนาเจ้าคะ่ะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะหันตถาิภิกขเวอามันตยามิโว ขยวัวยะธรรมาสังข า, าราปมาเทนะสัมปาเททาตีขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่พวกเราโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนเองออกจากวัตทุก์ทุกคนทุกท่านธมาก็าได้หยิบยกนำพุทธพจน์ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ตรัสพระดำรัสไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจะดับขันธปรินิพานหลังจากที่พระองค์เดินทางไกลามาในยาวนาในสังสารวัฏมาถึงยี่สิบอสงไขยแสนมหากับ พระ อ, องค์ทรงปราถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในชาติแรกนับย้อนหลังกลับไปยี่สิบอสงไขยแสนมหากรับพระ อ, องค์แบกมารดาข้ามมหาสมุทรหลังจากที่เรือแตกพามารดาข้ามมหาสมุทรด้วยการว่ายน้ำข้ามตลอดเจ็ดวัน เป็นเหตุให้พรมมาโดนใจของท่านเพื่อให้ปาถนาท่านก็มีความคิดในใจว่ายังไงถ้าเราพ้นแล้วเราก็จะปาถนาให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราตัดสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตัดสรู้ตามด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านก็พยายามพัฒนาใจที่เป็นปูตุชนนี่แหละพัฒนาศักยภาพของตัวเองฝึกหัดขัดเกลาโดยตั้งมั่นที่สัมมาสัมโพธิญาณพง์จะนึกถึงแต่คำว่าพุทธพุทธะอยู่ตลอดเวลาในการที่จะสร้างบา ร, รมี แล้วสแสวงหากรยานมิตรแสวงหาผู้ที่เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนเข้าไปสอบถามมีการให้ทานอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดไม่ว่าจะทำบารมีในข้อไหนก็ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า จนระยะเวลาผ่านมาถึงเจ็ดอสงไขยนึกไว้ในใจผ่านมาอีกเก้าอสงไขยเปล่งวาจาแล้วหลังจากที่ผ่านไปสิบหกอสงไขยในขณะนั้นเกิดเป็นสุเมธาดาบทเป็นฤาษี เกิดมาในตระกูลร่ำรวยแล้วก็สละราชสละทรัพย์สมบัติถึงแ0 0รอล้านออกบวชเป็นฤาษีแล้วก็ทาฌานธรรมพิญญาให้เกิดขึ้นในขณะนั้นพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสุเมธาดาบทไม่ทราบเพราะว่าเข้าฌานจะไม่รู้ถ้าโยมได้ฌานสี่จากอาณาปานสติเนี่ย อะไรมาก็ไม่สนใจแล้วเสียงเข้ามาก็ไม่รู้แล้วสุมเมธาดาบทก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเัิงเกิดขึ้นนะแต่เพราะบุญกระตุ้นเตือนเพราะมีใจนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจึงเป็นเหตุให้มีโอกาสได้เจอก็เหาะมาชลิฐเหาะมามาเจอชาวบ้าน กำลังขมักขเม้นอยู่กำลังทำทางถางทา ง, ทางให้สะอาดให้เรียบร้อยก็เลยลงไปถามประชาชนว่าทำอะไรเขาบอกว่าท่านไม่รู้เรอว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วและจะผ่านมาทางนี้พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระราหานอีกสี่แสนองค์ ท่านกน็พอได้ยินคําว่าพุทโธโลเกอุปันโนเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเนี่ยปีติซาบซ่านไปทั่วล่างน้ําตาไหลขนลุกสู้เพราะนานๆ น, น, นะจะได้เจอได้ยินสักครั้งหนึ่งโยมเป็นผู้มีบุญมากมีโอกาสได้ยินได้ฟังคําว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนานๆนนสักครั้งหนึ่งจะได้มี สุเมธาดาบดก็เลยขอโอกาสแก่ประชาชนว่าขอจะทำทางเขาก็เลยให้ทางที่ครูครนะที่ลกมีมีน้ำเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อมากๆเพราะว่าเห็นว่าสุเมธาดาบดไม่มีฤทธิ์แต่ด้วยความที่จะทำเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช้ฤทธิ์ ใช้กำลังของตัวเองในการถางทางถางหญ้าปรับพื้นที่ให้ราบเรียบในขณะนั้นยังทำไม่เสร็จเลยพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพร้อมด้วยกับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระขีนาศบสี่แสนองค์เนี่ยผ่านมามาพอดีในทางนั้นสุมเมธาดาบทจึงใช้ หนังเสือเนี่ยผ้าคลุมเสือปูแล้วก็ตัวเองก็นอนลาบในบ่อ น, นั้นน่ยที่ยังทําไม่เสร็จเนี่ยแล้วก็ถวายตัวเองให้อัตภาพร่างกายให้ชีวิตตัวเองทําเป็นสะพานเพื่อให้พระพุทธเจ้าและพระหานสี่แสนองค์เดินข้ามไปโดยคิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ขออย่าให้พระพุทธเจ้า ผู้ทรงคุณนันประเสริฐกับพระรหารทั้งสี่แสนองค์ได้เปิดเปลือนเปลือกตมนั้นเลยนะกล้าไหมโยมแบบนี้กล้าแลกชีวิตได้ไหมเพราะเราเป็นธาตของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ให้แล้วเหมือนสุเมธาดาบทในขณนะนั้นพระพุทธเจ้าก็ พระพุทธเจ้าพระนาวาัีปังกรก็เดินเวียนสามรอบทำประทักษินแล้วก็พยากรว่าสุเมทนาบทนี้ในอีกสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนาว่าโคตมะมีพระอักระสาวกเบื้องขวาชื่อว่าสารีบุตรเบื้องซ้ายชื่อว่าโมคลานะมีมารมี พระราชาบิดาชื่อว่าสุดโทธนะพระมารดาชื่อว่าสิลิมหามายาแล้วก็พยากรจนครบสุเมธาดาบทเมื่อได้ยินดังนั้นก็เกิดปีติอิ่มเอิบใจว่าเราจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วจึงมาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งไข้ควรถึงบารมีว่า จะทำอย่างไรหนอถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงใคร่ควรไปใคร่ควรไปด้วยฌานที่ตัวเองมีเนี่ยไม่มีใครบอกนะว่าบารมีมีอะไรบ้างแต่ด้วยความที่ท่านสะสมมามากและได้ฌานจึงใคร่ควรว่าอ๋อสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เรากำจัดกิเลสออกจากวัฏทุกสามารถเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คือการให้ทาน คิดต่อไปก็เป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของเนกขมมะไปเรื่อยๆปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและโอเบขาไปตามลำดับแต่ในภพชาติที่เกิดในแต่ละชาติก็บำเพ็ญทั้งหมดไม่ใช่บำเพ็ญทีละอย่างทีละอย่างบำเพ็ญทุกอย่างในชาตินั้นๆยิ่งถ้าเรามีข้อมูลมากๆมีแผนที่มากๆเราก็จะได้เปรียบ มีข้อมูลมากๆเราจะได้เปรียบในการที่จะทำอย่างไรให้บำเพรนบารมีให้มันเต็มขึ้นมากขึ้นให้มันบริบูรณ์ขึ้นประชาชนที่ได้ยินดังนั้นทั้งหมดก็เกิดปีติว่าถ้าเรายังไม่บรรลุในพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรณีเราก็สามารถเราก็จะปรารถนาที่จะไปบรรลุในาศาสนาต่อไป ในศาสนาของพระสมณะโคดมนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยถ้ามีบุคคลผู้กล้าผู้หนึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคนดังนั้นถ้ามีผู้กล้าแบบนี้มีผู้ที่มีคุณธรรมแบบนี้มีผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้แล้วแล้วเราจะต้องสนใจใครเราจะต้อพึ่งใครเราจะต้องไปสนใจใคร เราก็บูชาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีที่พึ่งอื่นไม่บูชาสิ่งอื่นไม่มีสิ่งอื่นมาเป็นสาระมีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นเราจึงจะถึงไตสรนคมตลอดชีวิตได้โดยไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิน้นและธรรมะที่พระ อ, องค์ตรัสก็จะปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้ ไม่ลังเลไม่สงสัยเพราะจะช่วยให้เรากำจัดเกิดออกจากวัฏจทุกข์ได้นั่นเองแบบนี้โยมมั่นใจหรื อ, อยังมั่นใจไหมมั่นใจแล้วนะทำไมยังซื้อๆอยู่ มั่นใจนะอาตมามั่นใจอย่างมากเพราะอาตมาผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนะแล้วคิดว่าที่ศึกษาเล่าเรียนมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะนำตัวเองออกจากวัตจทุกข์โดยแท้ตอนที่อาตมามาที่นี่อาตมาไม่ไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะได้มานั่งตรงนี้นะเวลาที่ อาจารย์ท่านชวนเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่ามาบรรยายนะท่านบอกว่าไปปฏิบัติอาณาปานสติกันอาตมาก็ไปเลยเพราะว่าอยู่ที่วัดก็ทําอยู่แล้วอาตมาหลังจากกลับมาจากพมา่าเนี่ยก็อยู่แต่ที่วัดแล้วก็ปฏิบัติหลายเดือนจนอาจารย์บอกว่า ไปเดี๋ยวจะมีปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธหนึ่งตมาไม่เคยรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ถามด้วยส่วนใหญ่ถ้าเกิด อ, อาจารย์ชวนอาตมาก็ไม่จะไม่ถามซักซว่าอยู่ที่ไหนไปกับใครมีกี่คนอะไรไม่รู้เลยไม่มีข้อมูล อ, อพระอาจารย์ก็บอกว่า ให้ไปค้นานาปานสติมาซึ่งอตมาเนี่ยไม่ได้เทศมาสองปีหลังจากที่ไปพม่าแล้วก็ไม่ได้เทศอีกเลยไม่ได้ก็คิดว่าจะจะเลิกแล้วจะเลิกเพราะว่าได้ไปปฏิบัติานาปานสติเนี่ยก็จะเลิกเพราะว่าจะอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะถ้ารู้ว่าจะมาเทศเนี่ยโยมคงไม่เห็นอตมา เพราะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะให้มามาแบบนี้นะอาจารย์บอกว่ามาไปปฏิบัติอาณาปานสติแค่นี้เองแล้วอาตมาก็มาถือว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของโยมก็ไม่รู้นะอันนี้คือเปิ ด, ปดใจกันนะโยมอย่าหาว่าโอ้โหเราได้ฟังอะไรก็ไม่รู้ เขไม่ไม่ได้เตรียมจริงๆนะไม่ได้เตรียมเรื่องทาเรื่องศีลเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้มาปฏิบัติอาณาปานสติส่วนก่อนหน้านั้นอาจารย์บอกว่าให้ค้นอาณาาปานสติอาตมาก็ค้นะนะค้นแล้วก็เรื่องทาเรื่องศีลข้อมูลยังลืมแล้วเลยโยมข้อมูลลืมไปแล้วที่เคยเทศมาเนี่ยสองปีโยมลืมข้อมูล จะต้องไปขอข้อมูลจากโยมโยมที่เขาชำนาญข้อมูลซึ่งเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสักเล่มเดียวนะโยมนะแต่มาไม่ได้เตรียมเรื่องข้อมูลทางศีลมาสักเล่มเดียวก็ได้ข้อมูลจากโยมเนี่ยแหละถือว่าโยมเป็นผู้มีบุญได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีสร้างบุญมาดีจึงได้มีโอกาสได้เจอสิ่งที่ดีๆแบบนี้ก็ขออนุโมทนานะใน บุญกุศลที่ญาติโยมได้เคยทำไว้ในอดีตนะมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาถือว่าโยมได้มีปุปเพกะตะปุญญาตาได้กระทาบุญ ไ, ไวในกางการก่อนจึงได้เกิดในประเทศอสมควรและได้พบกัลยาณมิตรได้ฟังพระสัตธรรมและได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โรกุตระธรรมคือเป็นการ สร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อจะถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนั่นเองจึงขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมได้มีความสุขขออ้างอิงคุณพระตนะไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นจงดลบรรดาให้ญาติโยมสาธุชนได้เข้าถึงธรรมมีความเข้าใจธรรมมีสัมมาทิฏฐิประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไปทุกพบทุกชาติ และขอขอความสุขความเจริญและมีอายุวันนัสุขพะพละปฏิทานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงมีแก่พวกท่านโยคีผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านตลอดการละนาน